เรื่องนกเขาเอาไปนกเขาขันนกเขาแข็งพอเห็นทหารเกณฑ์เข้าไปเลยเ อ, ยเอย้บ้านของมึงมีนกนกเขานกขันเสียงใหญ่มีไหมคนวทะทหารเกณฑ์นี่บอกว่ามีครับคนวะมั น, ม, นมันขันยังไงมันเสียงใหญ่ยังไงมันขันขีดที่พดเพิง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 คนหนึ่งเขาว่าไม่น่าจะใช่เพราะเหตุว่าตื่นขึ้นมาบางทีก็เห็นเขาหน้าบูดหน้าเปียวใส่ทาเห็นเขาเบียวปากใส่บ้าง เ, เห็นเขาแสดงอากับกิริยากับเราก็ไม่ใช่ว่าตื่นขึ้นมาล้วจะเห็นแต่มงคลมันก็เห็นสิ่งที่ไม่เป็นมงคลด้วยสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาไม่คำ ว, ว่าเห็นคำนี้นะมันไม่น่าจะถูกต้องนะก็เลยก็มาไล่กั น, นจนถึงเขาว่าได้ย็นบ้าง ได้สัมผัสปั้งอะไรต่อมิอะไรผลที่สุดไม่มีใครที่จะตัดสินใจได้ผลที่สุดเทวดาอีกได้ยินอีกเถนี่เทวดาได้ยินมนุษย์โกลาหลนที่ถกเถียงกันอีกเทวดาภูมิมะเทวดาอย่างที่หลวงพ่อพูดอย่างเนี่ยภูมิภูมิมเทวดาสิงสถิตอยู่เนยแกเอ๊ะคำว่าเป็นมงคลคืออะไรเนี่ยเทวดาก็สงสัยอีกเหมือนกันไปถามกันเองเนี่ย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 พระอินทร์เสด็จลงมากับพร้อมกับเท ว, วดาเป็นหมื่นจักรวาล น, น, นะเนีเพราะว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่คาใจของเท ว, วดาคำว่ามุชดิมงคลกับตนเองนั่นคืออะไระะจากจนั้นมาถามพระพุทธเจ้าในเวลาเที่ยงคื น, นพระองค์ก็เฉลยปัญหาที่เท ว, วดาถามเทวดาเหล่านั้นก็ได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลมากที่สุดในในครั้งคราวนั้นที่พระพองค์แสดงเรื่อง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 เราอยู่ในสถานะไหนให้รู้จักในสถานะของตอนเองเนี่ยแท่านก็นไล่ไปอย่างนี่สรุปแล้วก็คือมงคลแปดในสมัยนั้นนะแต่พอมาถึงที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสูตพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่เทวดา ท, ที่พระอินมาถามพร้อมกับเทวดาในคืนวันนั้นที่วัดป่าเชตตะวันมหาวิหารพระพุองค์ได้ตรัสว่า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 อย่าไปคบขนผ่านให้ครบบัณฑิตสรุปแล้วให้ครบคนดีแค่ครอบบัณฑิตอย่าไปครบคนผ่านอเซวนาจะพาลานังบัณฑิตานัจะเสวนาให้ครบบัณฑิตปูชาจะปูชนียานังบูชาบุคคลที่ควรบูชาเนะนี่แหละพระพรทธก็ไล่เป็นข้อข้อ ข, อขอไปจนถึงมงคล38นะเพราะฉะนั้นให้พวกเราศึกษานะูว่ามงคล38ประการนั้นมีอะไรบ้างนะ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 เราเราก็กลัวตายคนอื่นเขาก็กลัวตายในเมื่อไปฆ่าเขาละ่ะเขามีความรู้สึกยังไงในเมื่อเขามาฆ่าเราละ่ะเรามีความรู้สึกอย่างไรนี่ในสินข้อที่หนึ่งควบคุมตั้งหลายร้อยมาตราทีเดียวนะถ้าเราวิเคราะห์ออกมาแล้วอาทินนาทานก็เหมือนกันควบคุมหลายร้อยมาตราอีกเหมือนกันกาเมสุมิชฉาจาร์ก็เหมือนกันควบคุมหลายร้อยมาตราเหมือนกันเออมุสาก็เหมือนกั น, กนต้มตุนหลอกดวงคนอื่นเขา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 ให้พวกเราเลือกคบนะถ้าเลือกเลือกคบแต่บัณฑิตนักปาราชญ์พิจารณาความเจริญโดยส่วนเดียวนะถ้าไปคบกับภารชนแล้วพารชนพาถล่มไปในทางชั่วนะกว่าจะรู้ได้ที่ไหนได้นะ่ยไปอยู่ที่ไหนคุกตารางที่ไหนก็ไม่รู้อะไรท่านเลยนะเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท, นะท่านนะคณะจัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนอย่างที่หลวงพ่อได้พูด เ, เบื้องต้นว่าเนี่ยเข้ามาสู่วัดวาศาสนา